ก็ตามว่ามีบุญมากเน่ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอเห็นพระพุทธเจ้าป่วยแล้วก็แหม่ร่างกายเนี่ยหนักไปหมดทิศก็ไม่ปรากฏทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งเลยนะธรรมะเนี่ยจาได้หมดแต่มันคิดอะไรไม่ออกอิติปิโสปัจขวาาราหังสามมาเนี่ยว่าได้อะ่ะแต่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงไม่รู้อะจําได้แต่อิติปิโสเป็นต้นจําคํำส น, นี่จําได้หมดสาธยายได้หมดนะแต่คิดอะไรไม่เป็นกลายเป็นว่าอะไรนะ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 ถ้าพระองค์ยังไม่ตรัสอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับคาบอกลาเนี่ยนะเหมือนกับคาบอกลาบอกเงื่อนบอกอะไรลึกๆอะ่ะพระองค์คงไม่ปรินิพานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอนุนก็ภิกษุสงฆ์ยังหวังอะไรในเราตถาคตรแล้วนะจะมาหวังอะไรแล้วอย่งั้นนะดูก่อนอ น, อนุนตาข้าคตไม่ได้มีกรรมมืออาจารย์ไม่มีข้อปิดบังซ่อนเร้นหรอกในธรรมทั้งหลาย ในอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอริยศาสตร์เนี่ยไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยไม่มีเลยดูก่อนอ น, อนุนผู้ใดพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าฉันเนี่ยจักบริหารภิกษุสงฆ์ดังนี้ก็ดีหรือว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยพึงยกย่องแต่ฉันอย่างนี้ก็ดีดูก่อนอนอนนแน่นอนผู้นั้นพึงปรารบภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวถ้อยคำบางประการ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 ฉันนี่แหละจักปกครองสงฆ์หรือสงฆ์ต้องยกย่องฉันถ้าอย่างนี้มีรับมีนอกมีในแน่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะห่วงอำนาจใช่ไหมหวงอำนาจดูก่อนอ น, อนุนตถาคตมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราแลจักบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์พึงยกย่องเราตถาคต พระองค์ไม่ได้ต้องการตรงนั้นเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ต้องการเออเนี่ยเราจะแม่ต้องมีอำนาจในการบริหารตลอดไปหรือว่าสงเนี่ยจะต้องยกย่องเราเท่านั้นอะไรงี้ยนะพระองค์ไม่มีความคิดแบบนี้เลยดูก่อนอนุนแตถาคตนั้นยังจักปรารถสงแล้วกล่าวถ้อยคําอะไรๆคราวเดียวดูก่อนอนุนก็บัดนี้ เราตถาคตแก่เท่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยโดยลำดับวัยของตถาคตกำลังดำเนินเข้าไปเป็นแปดสิบปีอยู่เรียกว่าย่างเข้าสู่อายุแปดสิบแล้วเนี่ยนะแล้วก็ปีนี้เดียวกันเนี่ยเป็นสูตรที่พระองค์แสดงมหาสีหนาสูตรเนี่ยนะมหาสีหนาสูตรที่เราเรียนในมัชฌิมนิกายมหาสีหนาสูตรเนี่ยก็จะถึงพระองค์ก็เปรียบร่างกายของพระองค์ว่าดูก่อนอานอนต์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 ก็ต้องแบบต้องคาดหลังเอาไว้ตลอดเง้ยนะมันปวดเมื่อยอะไรงี้ยต้องแบบรัดอังรัดหลัง ร, ร, รัดเอวเอาไว้นั้นจะต้องดามไว้ตลอดเลยแหละดูก่อนอนุนสมัยใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิหาหน i m i ต s ไม่ได้อยู่เพราะไม่มนสิการนิมิตทั้งปวงเจโตสมาธิหานิมิตไม่ได้นี่หมายถึงอะไรหมายถึงการเข้าพระสมาบัติ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 ในสมัยนั้นร่างกายของตถาคตมีความผาสุขอย่างยิ่งความสุขที่แท้จริงของพระองค์ก็คือสุขตอนไหนสุขตอนที่พระองค์เข้าพะลาะสมาบัตแต่ออกจากพะละสมาบัตเนี่ยเจ็บปวดก็แปลว่าเหมือนจะไข้ขึ้นอยู่ตลอดลนะเหมือนไข้ขึ้นอยู่ตลอดเลยแหละลนะก็มาเขบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะทรงทรมานพระองค์เองเพื่อที่จะทรงเคราะห์แก่สัตว์โลกนะนะก็ต้องทนเจ็บป่วยเนี่ยนะทนเจ็บป่วยเพื่อใคร ใครน้อเนี่ยนะดูว่าจะเพื่อสําเร็จหรือเปล่านะแต่ว่าหลายหลายท่านเนี่ยสำเร็จแล้วล่ะก็ดูอีกหลายท่านนะจะเป็นยังไงด้วยเหตุนั้นแหละ อ, อนนท์เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นสาระอยู่เถิด น, นะมาสูตรเนี่ยสําคัญนะบอกให้เอาพึ่งตัวเองนะเกาะถ้าจะเกาะจริงก็ต้องเกาะตัวเองถ้าจะพึ่งก็ทุ่งต้องพึ่งตัวเองอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นเกาะเลยเพราะฉะนั้น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 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูก่อนอ น, น์พิกสุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสาระไม่มีสิ่งอื่นเป็นสาระ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 ภิกษุทั้งหลายพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใครในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเหล่านี้นั้นจะเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดนะใครก็ตามที่ปฏิบัติเอาเอาตัวเองเนี่ยเอาตนตนในที่นี้หมายถึงอะไรเอาตนคือสติปัฏฐานหมายถึงสติปัฏฐานนะอาตาัตตะสำมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบหรือมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นสาระนะหมายถึงเอามัสมีองแปดเป็นหลักตนในที่นี้หมายถึงขณะที่ดําเนินไปตาม อริยมรรคปฏิบัติตามสติปฐานถ้าถือเอาตรงนี้เป็นหลักคขในอธิศีลปศิขาที่จิตสิขาอธิบัญญาศิขาเขาจากเป็นผู้ประเสริฐสุดยอด น, ยนะนะถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมในจำนวนพระสงฆ์ทั้งหลายคำว่าพระองค์เนี่ยนะบอกว่าอัตตีปะเนี่ยนะอัตตีปะเนี่ยแปลว่ามีตนเป็นเกาะ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 อย่ามีอย่างอื่นเป็นคติคือไปต้องไปด้วยตัวเองนะแม้ธรรมทีปะธรรมสารนาก็ลักษณะเดียวกันแต่คําว่าตนในที่นี้หมายถึงสติปัฏฐานสี่นะไม่ได้หมายถึงเอาอะไรตนเอาตอนไหนตอนมานะเกิดก็เอาแต่ตอนอย่างนั้นหรือเปล่านะตอนที่กําลังกําลังของความโกรธครอบงาก็เอานี่แหละตนนะหรือตอนที่กําลังง่วงซึมนี่แหละตนเอาตอนธาตแท้ของตอนเนี่ยคืออะไร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 วิขัมพนะวินัยวินัยแปละว่ากําจัดกําจัดอะไรกําจัดอภิชาและโทมนัสอภิชาคือการมฉันทะโทมนัสคือพยาบาทอภิชาคือโลภะโทมนัสคือโทสะเพราะฉะนั้นก็เจริญอนุปัสนาเจ็ดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละเพื่อละ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 จิตติดทีบาต ท, ทาด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงก็เป็นฉันทิธิบาตเนี่ยนะอิธิบาตสี่อันใดอันนั้นก็เป็นการเจริญอินรี่ห้าพละห้าโพชงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดถ้ายังประชุมศึกษาสามยังประชุมในการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้โคจรไปในโพธิปักธิยธรรมอย่างนี้ได้เขาเหล่านั้นก็จะได้เข้าถึงธรรมอันเลิศคืออรหัตตผลอันเลิศเนี่ยนะมันผู้ใดที่ปฏิบัติไปตามโพธิปักธิยธรรมตาม คําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะเรียกว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่เพึ่อถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นั่นเองนี่ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังนั้นจากนั้นก็ออกพรรษาหลังจากนั้นก็ออกพรรษารายละเอียดตอนหลังออกพรรษาเนี่ยเดี๋ยวก็จะกล่าวอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนก็ได้จะกล่าวถึงภาษาทีบุตรปรินิพาน เหตุการณ์หลังออกพรรษาไปแล้ว